ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 สแผ่นที่ห้าหโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 สแผ่นที่ห้าหให้คติธรรมหัวข้อว่าถ้าพร่ำสอนคนอื่นเช่นใด ก็ควรทำตนเช่นนั้นอันนี้คือการที่จะแนะนำบอกกล่าวคนอื่นเราต้องผ่านการศึกษาเรื่าการเรียนรู้หรื่าการประพฤติปฏิบัติของตนเองมาพอสมควรแล้วจึงจะแนะนำบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนคนอื่นไม่ใช่ว่าเราทำอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ให้คนอื่นทำอีกอย่างหนึ่ง ไม่น่าจะถูกต้องไปนั้นก่อนที่จะบอกกล่าวคนอื่นให้ทำตรงเองต้องตรวจตราดูตนเองพอสมควรแต่ถึงอย่างไรถ้าตัวเองจะทาไม่ได้แต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราทำยังไม่ถึงแต่เราก็ได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหลักๆทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะทำไม่ได้เราก็ควรจะชี้หนทางให้เขา ให้เขาเดินเพราะเขาอาจจะมีความพยายามมีความมุ่งมั่นหรือมีความอุตสาหะวิริยะขันติสัจจะบารมีของเขาอาจจะแก่กล้ากว่าเราเพราะนั้นเราก็ควรจะบอกให้เขาเดินอย่างนี้อย่างนี้นะไปจุดนั้นจุดนั้นนะ เ, เรามั่นใจว่าเดินทางนี้เป็นในทางเป็นหนทางที่ถูกต้องแต่ตัวเองก็พยายามเดินเต็มที่แต่กำลังตัวเอง หรือบา ร, รมีของตนเองรอ่าการเป็นอยู่ของตนเองาธาตุขันของตนเองร่างกายของตนเองกํ่กลังจิตใจของตนเองมันมีหลายหลายหลยอยา่างถ้าว่ามีผู้ที่มีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเราก็ควรจะชี้หนทางให้เขาเนี่ยอันนี้หลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ เราก็แนะนำให้ผู้ที่ที่จะเดินได้ให้เขาเดินถึงเขาเดินจะเดินแซงหน้าเราก็พร้อมที่จะยินดีอนุโมทนาที่เขาไปถึงจุดหมายปลายทาง เ, าเหมือนกับพี่เลี้ยงนักกีฬาหรื อ, อนักมวยหรืออะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเก่งเก่งกว่านักมวยหรือว่านักกีฬาของตอนเองแต่เขาก็เป็นผู้แนะวิธีการ แต่เขาไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่่างที่นักน ก, กีฬาเขาทำนั้นแต่พี่เลี้ยงเนี่ยแนะนำบอกกล่าว น, นี้ก่อนลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะนั้นถ้าจะพร่ำสอนคนอื่นเช่นใดก็ควรทำตนเช่นนั้น อ, อันนี้คล้ายๆว่าเร่าผ่านมาแล้วเหมือนกับพี่เลี้ยงอสอนนักกีฬาเนี่ย เ, เคยผ่านมาแล้วแต่ เ, เราก็เคยพ่ายแพ้เขา แต่วิธีการที่จะชนะนั้นเป็นยังไงแล้วก็สอนถ้าเราไม่สอนรุ่นน้องรุ่นน้องเขาจะมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราน้อมดูตนเองด้วยแล้วก็น้อมอบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนรุ่นน้องๆด้วย เ, เพื่อความเจริญเพื่อความรุ่งเรืองอใน หลักพระธรรมวิ่ในเรือในศีลและวินยัยแต่ถึงยังไงเรื่องศีลเนี่ยเรื่องศีลและวินัยอันนี้ขาดตกบกพร่องไม่ไดเ้เราปฏิบัติศีลและวินัยบอกกล่าวอย่างไรเราต้องยึดตามแนวแถวพระธรรมคําสอนยึดในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้หนักแน่นเรื่องกฎรละเบียดแต่เรื่องคุณธรรมในจิตใจนั้นอันนั้นเราก็พยายามทําให้ดีที่สุด โทกระดับขั้นแต่ถึงยังไงก็ก่อนที่จะสอนคนอื่นก็ต้องมองดูให้ดูตนเองซะก่อนทำสอนคนอื่นเช่นใดตนเองก็ควรจะทำพยายามทำหรือว่าทำตนเช่นนั้นเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัทธาญาตโยมน้องน้องๆทางหลายขอให้พยายามสังสมคุณงามความดีสังสม บุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะใน mp 3ที่ได้อัดลงไปหลายๆแผ่นตั้งแต่แผ่นที่หนึ่งจนถึงแผ่น55นี้มีความรู้สึกว่ามีมากหลากหลายในแนวความคิดในแนวทัศนะในแนวศึกษ า, าแต่สิ่งตรงไหนก็ตามจุดตรงไรก็ตามที่พวกเราท่านทั้งหลาย ได้ฟังดูแล้วถ้าหากว่าเป็นคำใดที่ขัดหรือในพระบาลีให้ฟังเอาเนื้อหาสาระอย่าไปฟังในคำพระบาลีนั้นเพราะว่ากระผมเองอาตมาเองหลวงพ่อเองในขณะที่พูดก็ไม่ได้เอาตำรับตำรามาพูดอาจจะพลังเผลอพูดไป แต่ได้ความเข้าใจจะให้คลาดเคลื่อนนั้นไม่มีแต่ว่าการกล่าวไปนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนได้ถึงยังไงถ้าว่าผู้ใดก็ตามเห็นจุดที่มันคลาดเคลื่อนมากหลวงพ่อเองก็พร้อมที่จะน้อมรับหรือว่าในการรับการติชมจากผู้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าเจตนานั้นเจตนาที่บริสุทธิ์อยากจะให้ น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้ผ่านประสบการณ์มาอย่างไรรู้เห็นมาอย่างไรได้ผ่านการประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างไรหลวงพ่อเองจะพยายามถ่ายทอดถ่ายทอดไทยแนวความคิดสติปัญญาแนวความคิดในการกระทำในการพูด ให้กับไว้ใน MP3 เพื่อเป็นลายลักอักษรเรือกว่าเป็นที่ให้พวกเราได้ยินได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาในธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเพราะนั้นด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ ข, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเทิน